สวัสดีครับผมผมออสโฟอนะครับผมเขาบอกคนเราจะร่างกายสุขภาพดีเราต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอทานอาหารให้ครบห้าหมู่เตือนนิดนะครับก่อนจะทานให้ครบหหมูเนี่ยหมู่1หมู่องหมู่3นี่ไม่ต้องไปทานมากทานน้อยๆไปทานหนักในหมูสี่แล้วก็หมูห้าถ้าทันทานตั้งหมูห่งหมูส2หมูสาไปเดี๋ยวไปอ้วกหมูสีแน่นอน มันจะเกี่ยวกันไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยทานอาหารให้ครบห้าหมู่เวลาท่านมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเอวปวดหลังปวดไหล่อย่าลืมทานตรงนี้นะครับผมสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวคลอเซนเตอร์085 1์8 3032ครับผมเฮดฮปดามนยามงั <S <S เอาคุยแล้วพาจดหุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามขนา